รายการของเราออกอากาศในทุกวันพุธแล้วเราจะอยู่ประจำในเวลาตีสี่ตีสี่ครึ่งเป็นประจำทุกสัปดาห์วันนี้นะคะตรงกับวันพุธ ท, ที่ห้าเดือนมิถุนายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสองค่ะวันนี้รายการ English, อิงดิสเราอยู่ของเรานำเคล็ดลับการใช้ภาษาอังกฤษมาฝากเพื่อนเพื่อนฟังกันอีกนะคะค่ะวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการใช้คำว่า เอ็นนี่เวค่ะเอ็น、anyway. นี、N、่เวเอ็นย์นะคะดับเบิลยูเอย์ติดกันนะคะซึ่งก็จะมีความหมายว่าอย่างไรก็ตามนะคะหรืออาจจะแปลว่าอย่างไงก็แล้วแต่หรือ anyway เนี่ยอาจจะแปลว่าอยู่ดีนั่นแหละก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราลองมาติดตามรับฟังตัวอย่างการใช้งานกันดูเลยนะคะค่ะตัวอย่างการใช้งานนะคะ anyway this dress is so expensive but i bought it anyway 1ี่ค่ะนะคะ this dress is so expensive but i bought it anyway ช、ね、ื่อแทรชเนี่ยแพงเหลือเกินนะเ、ね、นี่ยนะคะแต่ยังไงฉันก็ก็ต้องซื้อมันอยู่ดีค่ะตัวอย่างต่อมานะคะการใช้ anyway นะคะเราอาจจะเอาวางไว้ท้ายสุดประโยคก็ได้ค่ะ i'm afraid i can't come But thanks for invitation anyway ในหนึ่งครั้งนะคะ I'm afraid I can't come but thanks for invitation anyway มีความหมายว่าฉันเกรงว่าฉันจะมาไม่ได้นะแต่ยังไงก็ขอบคุณนะที่เชิญค่ะซึ่งในบริบทเนี้ย anyway นะคะอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นนะคะจะมีความหมายว่ายังไงก็แล้วแต่ก็ได้ค่ะค่ะ นอกจากนั้นนะคะ anyway นะคะยังใช้เพื่อบ่งบอกนะคะเรื่องที่พูดมาเนี่ยว่าเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญก็ได้นะคะคือแปลเหมือนกับแปลว่าช่างเถอะหรือช่างบรรเถะก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในบริบทอันนี้ก็แปลได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูประโยคกันค่ะ My joke seems boring anyway forget it หนึ่งครั้งนะคะ My joke seems boring anyway forget it นะคะความหมายคือ มุกตลกฉันเนี่ยดูท่าจะน่าเบื่อนะคะหมายโจกซีมบอเริง any way forget it ก็คือช่างมันเถอะเออลืมมันไปนเถอะค่ะต่อมานะคะจะเป็นการใช้ any way นะคะเพื่อบอกข้อมูลให้ชัดเจนลงไปเลยค่ะดังตัวอย่างประโยคต่อไปนี้นะคะ I can tell you not just now anyway อีกหนึ่งครั้งนะคะ I can tell you not just now anyway ความหมายนะคะของประโยคนี้ก็คือชัดเนี่ยบอกคุณไม่ได้หรอกนะแต่อย่างไรก็ไม่ใช่ตอนนี้เช่นเดียวกันค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะ anyway ซึ่งใช้บอกอข้อมูลให้ชัดเจนลงไปนะคะ think about it for a while for a few days anyway อีกครั้งนะคะ think about it for a while for a few days anyway นะคะความหมายก็คือ คิดเรื่องนี้สักหน่อยเธอนะ Think about it for a while คิดเรื่องนี้สักหน่อยเธอนะ For a few days anyway ก็คือสักสองสามวันก็ยังดีค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะ anyway เนี่ยยังใช้ในการเปลี่ยนเรื่องที่จะสนทนาก็ได้ค่ะหรือถ้าเราต้องการที่จะวกกลับมาคุยเรื่องที่คุยกันก่อนหน้านี้นะคะเราก็ใช้คำว่า anyway ได้เช่นเดียวกันค่ะ ดังตัวอย่างประโยคต์ต่อไปนี้นะคะ Anyway, what's for lunch today? อีกหนึ่งครั้งนะคะ Anyway, what's for lunch today? เอาล่ะแล้วตกตรงกลางหวันนี้จะกินอะไรกันดีนะคะทั้งที่ก่อนนี้เนี่ยเราอาจจะคุยเรื่องงานกันนะคะแล้วเราก็มาใช้คำว่า anyway นะคะคือมีการเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนหัวข้อสนทนากันค่ะ what's for lunch today นะคะก็คือกลางหวันเนี่ยจะทานอะไรกันดีค่ะค่ะ anyway ประโยคต่อไปนะคะก็อาจจะใช้ในการที่เราอยากจะจบบทสนทนาก็ได้นะคะอย่างเช่น anyway I got to go now Anyway I have got to go now ก็คือเอาละนะคะ Anyway นี่คือเอาละ I have got to go now ฉันเนี่ยจะต้องไปแล้วก็คืออาจจะใช้แบบจบบทสนทนาก็ได้ค่ะค่ะบางท่านนะคะก็อาจจะสงสัยนะคะว่าในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนหัวข้อสนทนาเนี่ยเราจะใช้ By the way แทนได้หรือไม่นะคะจริงจริงแล้วเนี่ย By the way นะคะจะใช่ต่างจาก Anyway เล็กน้อยค่ะ บายเดอะเวย์ way, นะคะเราจะใช้ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนหัวข้อกระทันหันนั่นเองค่ะและเป็นหัวข้อที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับที่คุยกันอยู่ก่อนหน้านี้เลยนะคะประมาณแบบว่าถ้าเกิดว่าเราเพิ่งจะนึกเรื่องนั้นออกเนี่ยเราก็รีบบอกมาเลยค่ะเช่นเราเนี่ยเจอเพื่อนบนรถไฟฟ้านะคะก็ทักเพื่อนไปว่า Hi Where are you going Hi Where are you going มีความหมายว่าเป็นไงบ้างนะสบายดีหรือเปล่านะคะคือคุยกันนั่นเองทีนี้คุยกันสักพักนะคะเราก็จะคุยกันกับเพื่อนเนี่ยแป๊บหนึ่งเนี่ยเราก็นึกเรื่องเกี่ยวกับงานเลี้ยงออกนะคะเราก็เลยพูดฉับพลันเลยนะคะว่า By the way don't forget to come to the party on Sunday อีกหนึ่งครั้งนะคะ By the way Don't forget to come to the party on Sunday ก็คือเราเนี่ยนึกเรื่องงานเลี้ยงวันอาทิตย์นี้ออกนะคะเราก็เลยเตือนเพื่อนไปว่าอ่ะอย่าลืมนะอย่าลืมที่จะมาร่วมกับงานสังสรรค์นในวันอาทิตย์นี้ค่ะ ค่ะเรื่องต่อมาที่เรานำมาฝากท่านเพื่อนฟังนะคะเป็นเรื่องการใช้ถือนะคะ to ถือกับ for นะคะ f o r นะคะว่าเราเนี่ยจะใช้ยังไงดีวเวลาใช้นะคะเราจะใช้ถือนะคะกับการเคลื่อนย้ายนะคะจากจุดหนึ่งนะคะหรือสิ่งหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งนะคะหรือไปยังอีกสิ่งหนึ่งก็ได้นะคะหรือมีการโอนย้ายแลกเปลี่ยนกันนะคะเช่น I drive you to school I drive you to school นะก็คือฉันเนี่ย ขับรถไปส่งคุณที่โรงเรียนนะคะก็คือย้ายจากอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งค่ะตัวอย่างต่อมานะคะ he sent this letter to you he sent this letter to you นะคะความหมายก็คือเขาเนี่ยส่งจดหมายนี้ให้แก่คุณ น, นั่นเองค่ะตรงนี้ก็จะมีการเคลื่อนย้ายเคลื่อนที่ของจดหมายนั่นเองนะคะไปหากับผู้รับค่ะ แต่การใช้ for นะคะจะใช้ในการบอกวัตถุ ป, ประสงค์นะคะที่ทำด้วยความตั้งใจค่ะ for นะคะทำด้วยใจนะคะอย่างเช่นอาจจะทำด้วยใจเช่น I sing this song for you I sing this song for you ก็คือฉันร้องเพลงนี้ให้คุณค่ะค่ะหรืออาจจะพูดอย่างอื่นก็ได้นะคะ She made this for you She made this for you ความหมายก็คือหล่อนเนี่ยทำสิ่ง น, นี้ให้แก่เธอเลยนะให้สำหรับเธอโดยเฉพาะเลยค่ะ แค่เดี๋ยวเรามาดูนะคะประโยคนะคะอย่างเช่นถ้าเราจะพูดว่าคุณเนี่ยสำคัญสำหรับฉันนะคะถ้าเราจะพูดประโยคนี้นะคะเราจะใช้อิมพอร์แทนนะคะตามด้วยทูแล้วก็บวกด้วยซ้ำวันนะคะความหมายก็คือจะหมายถึงสำคัญกับใครในแง่ความรู้สึกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยก็อาจจะเขียนผิดนะคะเขียนเขียนผิดเป็นโดยใช้ for อย่างเช่นเขียนผิดเป็น you are important for me นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย for เนี่ยมันแปลว่าสำหรับนะคะถ้าแปลว่าสำหรับเนี่ยถ้าเป็น important for เนี่ยมันจะหมายถึงมีความสำคัญในแง่าที่มีประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าคุณสำคัญสำหรับฉันเนี่ยเราจะต้องใช้ประโยคเป็น you are important to me ซึ่งความหมายเนี่ยมันสำคัญกับใครบางคนในแง่าความรู้สึกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย important for เนี่ยสำคัญกับใครในแง่ที่มีผลประโยชน์อย่างเช่นตัวอย่างคะ่ะ He is important organizations. for our 何が起きているのか ส่วน important for นะคะ important เจอกับ for จะหมายถึงสำคัญกับใครในแง่ที่มีประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูประโยคนี้อีกประโยคเลยนะคะอย่างเช่นนะคะประโยค ที่ใช้ to เหมือนกันนะคะอย่างเช่น you are everything to me นะคะก็คือคุณเป็นทุกสิ่งสำหรับฉันเราก็ไม่ใช่ for นะคะเพราะ for เนี่ยมันแปลว่าเป็นประโยชน์นะคะในแง่ของมีประโยชน์ต่อกันแต่ว่าถ้าเป็น to เนี่ยเราใช้ to เนี่ยมันเป็นในแง่ของความรู้สึกค่ะเพราะฉะ น, นั้นเนี่ยเราก็ถ้าเราจะบอกว่าคุณเป็นทุกๆสิ่งทุกสิ่งอย่างให้ฉันเลยเราก็ต้องบอกว่า you are everything to me ค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณเรื่องราวดีๆนะคะจากเพจภาษาอังกฤษ .com ค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ฟังพักฟังเพลงพอๆต่อ ส, องสาหาังขารีแล้วกลับมาพบกับพวกเราในช่วงสุดท้ายของรายการอังกฤษ around you ติดตามฟังแกันได้นะคะรายการอังกฤษ around you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 クローデンファンバイクランデンチェンナンチンローチェンジャイルアンファイチンマンディーチャイターグドウヤギャンチンガンチェカダウン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 トクランティタトンディガン、インタミーションケあマーミヤヤキヤンチャンジャイドバイ。 今生。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 มหาวิทยาลัยเทคโนโรธีราชมงคลทัญญาบุรีศูนย์รังสิทธิ์ปากทางเข้าเมืองเอกหยุดวันนักขัดตะเลิกสอบถามโทร 02-592-1991 สำหรับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโรธีราชมงคลทัญญาบุรีมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม RMUT Moving Towards Innovative University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 ค่ะสำหรับสามคำนี้นะคะต่างก็เป็นคำกริยาวิเศษหรือ adverb ทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่า somewhat somehow และ somewhere เนี่ยมีความหมายที่แตกต่างกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่คำแรกกันก่อนเลยนะคะสำหรับคำว่า somewhat แปล ง, ง่ายๆนะคะก็คือค่อนข้างจะค่ะแต่ในบางสถานการณ์เนี่ย ก็อาจจะแปลยอย่างนี้ก็ได้นะคะเพื่อให้ได้อัตลักษณ์ในภาษาค่ะเช่นอ า, อาจจะให้ความหมายของ somewhat นะคะแปลว่าออกจากนะคะหรือแปลว่าติดจากก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราลองมารับฟังตัวอย่างการใช้คำว่า somewhat กันดูนะคะค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะตัวอย่างประโยค somewhat นะคะซึ่งในที่นี้จะแปลว่าค่อนข้างจากนะคะ his ヒッハービューは、ヒッハ s ビュ e は、ヒッハービューは、ヒッハ e ビューは、ヒッハービューは、ヒッハービューは、ヒッハービューมヒッハービューは、ヒッハービューは、ヒッハービ h ーは、ヒッハービューは、ヒッハービューは、ヒッハービュดูออกจากーは、ヒเหตุผลไปหน่อยก็คือ has been s o m e w は、a t unreasonable ความหมายก็คือค่อนข้างที่จะไร้เหตุผลนะคะนัは、นเองค่ะ ตัวอย่างต่อมานะคะก็มีความหมายแปลว่าค่อนข้างจะเช่นเดียวกันค่ะ The economy has improved somewhat during the past year อีกหนึ่งครั้งนะคะ The economy has improved somewhat during the past year แปลว่าเศรษฐกิจค่อนข้างจะดีขึ้นมาบ้างในช่วงปีที่แล้วค่ะ ค่ะตัวอย่างการใช้ somewhat นะคะ this house is somewhat old but it looks nice อีกหนึ่งครั้งนะคะ this house is somewhat old but it looks nice บ้านหลังนี้ติดจะเก่าไปสักหน่อยแต่ก็ดูสวยดีค่ะสำหรับประโยคที่คุณช น, กหนาธิ์บอกไปนะคะคำว่า somewhat ก็คือให้ความหมายว่าติดจะนั่นเองค่ะเอาไว้ใช้ แปลในสถานการณ์บางอย่างนะคะเพื่อให้ได้อรรถรสมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะส่วนคำว่าซ้ำเห่านะคะซ้ำเห่าแปลว่าด้วยวิธีใดก็ตามค่ะหรืออาจจะหมายถึงด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งก็ได้นะคะพูดง่ายๆนะคะประมาณว่าไม่ว่ายังไงก็ได้ค่ะหรือซ้ำเห่าอาจจะหมายถึงถึงยังไง ซึ่งบางทีนะคะผู้พูดเองเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรหรือใช้วิธีไหนเช่นกันค่ะตังตัวอย่างต่อไปนี้นะคะค่ะตัวอย่างนะคะการใช้ somehow ค่ะ I must get the ticket somehow อีกหนึ่งครั้งนะคะ I must get the ticket somehow นะคะแปลก็คือไม่ว่ายังไงเนี่ยผมเนี่ยก็จะต้องหาตั๋วมาให้ได้ อันนี้อาจจะใช้ somehow ขึ้นต้นประโยคก็ได้นะคะหมายถึงไม่ว่าจะด้วยวิธีใดนะคะ Somehow he managed to pass all his exams อีกหนึ่งครั้งนะคะ Somehow he managed to pass all his exams หมายถึงไม่ว่าจะด้วยวิธีใดเค้าก็พยายามอย่างมากที่จะสอบให้ผ่านทุกตัวค่ะค่ะอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะ It strength seems strange somehow fois、élan いいよ。 ะะประโยคนี้เราใช้ some words นะคะ he is some words strange เนี่ยประโยคนี้จะแปลว่าเขาเนี่ยเป็นคนค่อนข้างแปลกแปลกน ะ, ะแต่ถ้าอีกประโยคนึงนะคะเราเปลี่ยนเป็นใช้ some how นะคะเราก็จะแต่งประโยคว่า he is some how strange ถ้า he is some how strange เนี่ยนะคะประโยคนี้ก็จะแปลว่าเขาเนี่ยดูแปลกแปลกไปนะอีกมีอีกในนี่นะคะ แ, แปลว่าแต่ก่อนเนี่ยอาจจะไม่ได้เปลี่ยนไปแบบนี้แต่พอมาเจอตอนนี้ก็ไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะอะไรแบบนี้นะคะ เพราะฉะนั้นแล้วนะคะสองคำนี้ใช้แทนกันไม่ได้ค่ะคำต่อไปกันเลยนะคะก็คือคำว่า somewhere ค่ะ somewhere หมายถึงที่ไหนสักที่นะคะที่ไหนสักแห่งซึ่งเราเนี่ย่ะไม่รู้แน่ชัดค่ะดังตัวอย่างต่อไปนี้นะคะ I think I have seen you before somewhere อีกหนึ่งครั้งนะคะ I think I Have seen you before somewhere. หมมาาายยยถึงฉฉัันนนนเเเี่่่คคคิดวาฉนเคยเจออุณมากอนที่ไหนสักทีน่นั่นเองค่ะแต่ตรงจุ m a k o n tinai, sakti, and an ingha, t a อ r o n g tune, rauku, nyat, นั้นที่ไหนค่ะค่ะตัวอย่างอีกหนึ่ง n ระโยคค่ะ There must be a restaurant somewhere around here that supports to be good. 1>, 1回ここに入ってくるのは、ここに入 e てくる u は、ここに入っ e くるのは、r a に入ってくるのは、e こに a って s u p p o r e t ってくるの o o こに入ってくるのは、こคに入ってくるのは、ここに入ってくるのนここに入ってくるのは、ここに入รてくるのは、ここに入ってくるのは、ここに入ってくるのは、ここに入ってくるのは、ここに入ってくるのは、ここに入ってくるのは、ここに入ってくるのは、ここに入ってくるのは、ここに入ってくるのは、ここにวってนるのは、ここค入ってくวのは、ここに入ってくるのは、ここに入ว่าるのは、ここに入กてくる่は、ここに入ってくるのは、ここに入 t て a るのは、ここに but somehow I must travel abroad somewhere อีกหนึ่งครั้งนะคะ It may be somewhat hard to do but somehow I must travel abroad somewhere ประโยคนี้นะคะมีความหมายว่ามันอาจจะยาก,、นิดนึงแต่ไม่ว่ายังไงฉันก็ต้องหาทางไปเที่ยวต่างประเทศที่ไหนสักที่ให้ได้คะ่ะ และหัวข้อสุดท้ายที่เราสองคนนำมาฟังนะคะจะเป็นเรื่องการใช้คำนวณ Why the long face นะคะเป็นคำถามค่ะ Why the long face หมายถึงทำไมคุณดูเศร้าจังนะคะหลายหลายคนนะคะพอได้ยินคำถามนี้ปุ๊บก็อาจจะรู้สึกจิตตกนิดหนึ่งนะคะว่า ไมายุ่งอะไรกับใบหน้าของฉันเนี่ยนะคะซึ่งมันจะสั้นจะยาวนะคะจะเป็น long face short face มันก็หน้าของฉันนะคะก็อาจจะพานตอบไปว่าก็หน้าแบบนี้แหละที่แม่ให้มานะคะแต่จริงๆแล้วนะคะ why the long face เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าทำไมหน้าคุณถึงยาวนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังความหมายและการใช้ประโยชน์นี้กันเลยค่ะค่ะ Long face นะคะ L-O-N-G นะคะเว้นวัก F-A-C-E Long face นะคะก็หมายถึงหน้าตาแบบเศ้าๆนะคะหรือว่ากรุ่มใจก็ได้ค่ะหน้าตายุ่งเยิงเลยนะคะแบบไม่สบายใจเลยนะคะหรือแบบอารมณ์แบบหน้าเบืง้งหน้าโบทก็ได้นะคะ Long face นะคะดังนั้นนะคะถ้ามีคนมาถามว่า Why the long face นะคะมันก็เลยแปลว่าทำไมาคุณถึงดูเศร้าจังคะ่ะ แต่ประโยคนี้นะคะ Why the long face เนี่ยจะสังเกตว่าจริงๆแล้วนะคะมันผิดวิทยากรค่ะเพราะไม่มีกริยาแต่เขาก็พูดกันค่ะซึ่งเป็นภาษาพูดแบบสั้นๆง่ายๆนะคะก็จะย่อ ม, มาจากประโยคยาวๆนะคะว่า Why do you have a long face นั่นเองค่ะ Why do you have a long face ก็คือเป็นรูปประโยคยาวๆของ Why the long face ค่ะตัวอย่างประโยคนะคะ He has a long face because he was fired last week อีกหนึ่งครั้งนะคะ He has a long face because he was fired last week หมายถึงเขาเนี่ยดูเศ้าๆนะเพราะว่าเขาเนี่ยถูกไล่ออกจากงานเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะ He was fired นะคะหมายถึงผูกไล่ออกค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะการใช้ long face กันนะคะอันนี้จะเป็นเหมือนบทสนทนาคุยกันนะคะจะมีระหว่าง A กับ B นะคะ A ก็จะพูดขึ้นมาว่า Why does she has a long face นะคะ Why does she has a long face ก็คือทำไมเจ้าหล่อนดูหน้าบุดบ่ดมึนจังเลยอะนะคะ B ก็ตอบกลับมาว่า the boss had just got on her case about her work ワイドワイドワイドワイドワイドワイドワイドワイドワ e ドワイドワイドワイドワイドワคドワイドワイドワイドワイドワイドワイドนイドワイドワイドワイドワイドワイドワイドワイドワイドワイドワイドワイドワイドワイドワイドワイドワイドワイドワイドワイドワイドワイドワ ค่ะวันนี้รายการของเรานะคะก็หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับรายการอิงดิสราอูได้ใหม่ในวันพุทธหน้าช่วงเวลาตีสี่ถึงตีสี่ครึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีออกอากาศด้วยระบบ fm ความถี่แปดสิบเก้าจุดห้ามิเกรอร์ซ์คลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต